ความยืดหยุ่นไม่มีความาการจะขอจากคนอื่นอย่างนี้มันต้องพูดอ่อนน้อมกว่านี้อันนี้พูดแบบ อ, อย่างไงพูดอวดตัวอีกต่างหากถ้าเขาขอชนี้ควรจะให้แต่พังผืดนะผังผืดจวาหนังก็ไม่ใช่จวบเนื้อก็ไม่ใช่แต่เนี่ยตัดตัดตั ด, ตด เ, อเอาพังผืดยื่นใหเ้เอาไปเอาไปเลี้ยงหมูไป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 พี่เนี่ยเราต้องดูแลสงเคราะห์พวกน้องๆต้องเป็นผู้ใหญ่เราต้องสงเคราะห์เขา เ, าเอาเนื้อขาบไปไปเลี้ยงกันไปแต่คนหนึงเข้าไปเอีกคนหนี่นเข้าไปเรียกพ่อพ่อครับผมขอเนื้อไปเลี้ยงหมู่พวกเพื่อนของผมเลยเราะพ่อผมเห็นพ่อมาแน่ก่อคุณพ่อมาเน่ก่าผมก็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 คุณจะเอาเท่าไหร่ผมจะยกให้ทั้งหมด เ, เพราะว่า Mid it, มิตรนี่มิตรเป็นยังไงเราเป็นอยางงั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอยางงั้นคืออันหนึ่งอันเดียวกันคืออ ว, วัยวะอันเดียวกันคือมิตรสหายกันรายาณมิตรต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อนใช่เป็นอย่างนั้นเออเอาจะเอาเท่าไหร่ cas. อันนี้คือการพูดลวกกันรายาณมิตร เป็นมิตรที่ดีเขาพูดกันมาตั้งแต่โบราณนักการเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ณสถานที่ใดถ้ามีมิตรที่ดีมีแต่ความเจริญถ้ามีปาปพิษแล้วมีแต่ความคิบหายชวนกันกันไปกินเหล้าชวนกันไปค้ายาบ้าชวนกันไปทำความชั่วนานับประ ก, การความชั่วในโลกนี้มีมากหลากหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน